ทางเดินมาทาง มันจะ อ, ก อ, ะอนกที่มันเป็นกลุ่มเนี่ว่าเนี่ยมัเการาในมงคนอย่างนี้แหละวอันนั้นยากีวเราเห็นีนี่จกนันกลุ่มเราแเนตมันีอยู่อันนั้นแล้วตร น, น, <c oughs> นะะี้เรายังไม่เห็นในะ่านเพื่อไม่เหพอทาือก็เห็นนะจ่จติตภาด้วยตอ ง, งนะนะ อันนั้นจะเนี่ไจะรักษาได้กี่หน้าพ e จะมาทำ i ห a ได้ได้ี่ไม่เอยู่เ่ที่ไม่ไดวอะไอยู่ึมาอันนี้มกิไม่มียไ่ราจะมาช่วยะขึ้นอันนี้เลยนะัอต้องนี่มเป็นา้ขีอเห็นรู้ เดี๋ยมึงไปลงมือก็หมอนี่เนี้ยเดีมึงจ้ว่าขอือยังโอจะรับไม่ได้ ถ้าจะมาเทีพัฒนาเ่เป็นออพัฒนาคตอนเกียนั่้ามาบวี้เส้ไปพัฒนาวัดองค์่่งใหม่ตองเี่ที่ัอยู่เช้าเดี๋ยวรับ็ อย่าฟังเลยนะอย่าฟังนะ่อยู่นเไม่ดีไม่ามาเลย้องไปเ t ยพวกเรจะ้องไ่วยกสาเหตรู้วิธียังไงต้องย้อนวนเรื่อยๆเายราะร้เคบที่กเนะวันย้อนวต้องย้อนปรตอจมพนู่นไทฟ์อไปได้ทที่หลุาหลุดตาประเทศับปัจจัย ตรงคำที่ได้มนกำลังใจนี right there, ้ก็หลายครั้งจะตามาหรือมันต้อใช้ไหดูแลช่วยนะแม้พวกเราจะไปไปดูเรื่องอะไรที่จะทำเพราะมันมีส่วนแม้เราจะมองการ์องการก็มีต้นร่มพุดเห็นไหมไป้าไปทะเลท้กงนิยมการศึกับแล้วก็ผู้พิพาชนะคลงถ้คนหลงมีแลก็คนหลัระเรมเราเสียไปแก้ในที่น เออคุยข we right> ้างหน m ่งมีมีเฮ้ยมีเหรอวะนั่นน่ะเรียกว่าของประเทศบาลมันจะดีเขาจะมันจะความรู้มเราปน้อเราไปเรยนรู้จากนาฬิกาที่เราทำแบนนที่ย่ีให้าไปนะเพราะอะไร้ไหรรมชาติอะไรหมดทุกระทุกันหนงทุกประตูทุกประหใ ให้สุ้เยงียเงยเนียยบนอย่าต้องพูดตุขเจ้านานันให้สก่ท่าน่นตัวให้ภูกบี้ท่านบุนเตัวสิ่งีรามาทำเนีเป็นิสัยขงเราแล้วธรรมบุญตัเนยเป็นยาตัเให้เฉะตอนนะเนี่ยตามตากามไหว้ามรเลืกหนูเสด็จอะไรเรียนมาอะไรมาอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในิเรา้ เราทำตามนี้เราไม่ทานหลัดั้งเชื่อาสนาเมื่อใช่มใ่ทานรรมะตัสสีแล้วมีปัญญาภาวนาเนี่มานเป็นมันเป็นใยนี้เป็นประโยชน์นี่ว่เปนที่ว่านิจัยนี้ยก็คือสปรานนิยตประโยชน์ประยชน์ทางหน้านีมีลรหน้าเราจะรักาได ไรพาาหนไ้เหรือาพอนาคามีอะไรก็ไ้ม่กลบมาเลยเพราะนั้นเรียพาาหนท่านจะไม่ต้องกลมาใโนี้นะเวร์กอบังมีมีสามปรเทศเดชาติแปดชาติไม่เกินนะสามชาติชาติเดียวสุสกีชาตามีก็อีกชาตเดียวสุนทรสาบีจบไปสทาวาสข้ามตัวเรื่องไลงมาแล้วแต่ว่าเราไม่ไไม่หมดอยงนี้ยังไม่อยู่ในในขั้นตอนนั้นที่ว่ามาีน้น ยั n ต้องยึดวาอะไเกิดเมื่อไรเกิดจริงเนี่ยทีพระเจ้าปร u วัติเนี่ยเวลาทำรวยพระเจ้าไม่เนีบอเนามากี่นาแก้วเจินนามากๆนไหนที่จิที่สุเนี่ยที่พระเจ้าจะเสือกเหรว่าอาาิโดดิกลติชีทปมเอรรบีอโบราณย คนจะวยคนจะงามน้ใจใช่ไหมน้คนจะสวยสวยจริยาใช่ตาวาคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทรัพย์ใช่บ้านโตปัจจิตงมีาอย่าง้ไอนี่มาพูดถูกถ้าเราไปวิ่เข้าใจไปเปิดสวนน้แปลไอ้นันฮะนาคารนะธนาคนะอ้นี่เนี่ยาที่อตียางเนี้ย หนึ่งตัศน์ควาเชื่อเนี่ยตงต์ใเชื่อว่าอะไรเชื่อในการตัดความรู้ของพระเุ้าเรียกว่าสัทโธปิตรัทเชื่อในธรรมศรัทธาทำดีเลยดีทำชั่วในช่วเป็นกฎต้นเลยแล้วเนี่ยแล้วก็ทำได้เป็นของตนสิ่งเราทำในนี้เป็นสมบัติของตนเรียกว่าธรรมะธรรมะตนในพารียว่าธรรมะโทมีในควพิหารเรียกว่าธรรมะกา แปรได้หลายเดียวกันเนี่ยกรเป็นของหตอนถึงเราทำให้เป็นสมบัติห่ตอนนี่คือรลลาดมาสร้างอันนี้ไว้มันมาเก็บไว้ในหังใจหวงตอนเป็นรีย้อ <c subscriber> ันนี้อย่าต <jal> ิดตัวไปหรือไมิไปว่าสมบัไปรอบไปได้ตลอดอ่ะมันปัดใจเพื่อมาแปรแล้วเพื่อมาตแต่อนี้มันจะเป็นสมบัติฐานสมบัติที่ที่หมดฐานสมบัติมันจะเป็นเรียนรู ความไหวในใจเนี่ยเป็นนิสัยควานสัยปุกปัเนี่ยคือปุบปั้บจะกิดชาตนต้องไหนต้องไม่สูไมหมดเกิดขึ้มาอย่สวยงามอานี้ทำุประดุณิกรไม่กาเนี่ยสติปัญญาดีราจะเป็นคนไม่หลง่เจ็ะนี่ยมีกิีใช่ได้งเป็นนมพวคุยศาสนาอย่างนี้มันต้องทำมาสามานะไม่ใช่เราไปตัดตัดุดุ่ทุกให้มาบอกว่ามันโต้องบอกว่าเราเราเกิไม่ได้ ไเราเรียกอันนี้าเนี่ยเขาเรื่องอะไรเรื่องทาการเมืก็ตัวแต่เมื่อเรื่องอะไรเนี่ยเพราเราทไม่ด่็ราะเราทำยังไม่ดียังมันยังมั่นยังยังไม่ได้แล้วเขาจะไปสอนที่ภาเนาะแต่บูนเขาไปดูดวยนยไตามรเทเข้าไปพวกเาเริ่มขึ้นมาวาเลยเป็นไปตามเดไ เวลาผมฟังฟังนั่นไม่บุ่นเนาะฟังนั่นไม่ว่าชนานัมันกมีเรื่องมาลับสายมีเนี่ยเราควรเปลี่ยนอารมณ์ดีไหมที่มันไม่ดีเนี่ยที่เขาสอนเราที่ี่เราควร e ปลี่ยนอารมณ์เราไม่เรื่อง e ราเปลี่ยนอารมณ์ตอนเราติดตัวเรไปหมือนพอดีสอนสีี้ครรักษาเราไม่ทำทกทุกมัใหญ่ทกข์อะจะมาได้ไนเนาะมันไม่เคยขึ้นยขึ้นมันเราตใจ เอานนี่ปขึ้นมาตาใจตาใจสมุทรต้องมีสาอย่างตอนห้สอนวันนีกายใจใจเห็ตัวราหมแล้วไปย่อยไปตายมีอไรบ้างตายมีสามข้าศัตรัพัพีนให้ามเนี่ยที่เลือรอดจะดดีหน้าเนียไหมมว่าี่มเี่ยนทอยู่ในโลกสีนี่มันหอมที่อยู่นโลรู้ที่เราต่สางที่เราตัราาลมักว่หมันเป็นของเรื่องคนคมทุกอย่างเลย อนี่เป right ็นคำสอนของผู้วผู้รู้ใจโลกสามาพูดไม่ใคนที่เกนยายาจะตอบงงมาพูดมาอนันนมาันเืองมันเห็นรู้นะจิตร้างต้น้นอมันมีเตุร่างของมมก็ร้องมึร้องไเกใหม่เรื่อยไมเลนี้ตอบรรีมากิดห่ยงไอ่ะงเร่น่ะเฮ้มาไมเ่ระาน่ะอกระาน้เนี่ยให้ประโยชน์มากเลยนะ อ่ายๆเหมนกันนผมไปเกี่ยวเื่องลึกไปใต้เราจในชาติตีนไหปที่ันจะว่าดีชาั้นมันาเลยนะาตอะไรไปทำดีหมดแม้จะต่นสร์ดีพระราชิจดีีหมดระทาดีหมดอันนี้มันชั่วตนั่วหมดอาาจะทำชัดเรียนไม่ไหแล้วการเวลาดยเป็นยังไงเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไง ไม่รู้นะยัาที่ไหนาที่ไหนเรามูนะเพราะในวิทยศาสตร์ศนารไม่ปพูดสอนตายนะหัวใจวิทาตั์ศานไม่ได้จบจบเวียดีเีโทไได้หกมนเปิดทุกเรื่งมไม่ใเวีดียโทไปเองดีั่วนไหมไม่ดีไม่กันนีถ้าีเข้ามี่วแตกเลยเราบอกเป็นกิ่ง้าด็กเขไ่ได้ยังไไม่ใช่จดีโทนะรหัวใจวิทยาศตร์ศาสนาเราลทั่วทำดีทำดี้ แค so, ่นี heart, Malaysia, ้แหละเอาตัวรอดละต้อนการรเรีนที่สูงเลยตัวรอดเลยเพราะมันไม่รู้เ่องดีหรือชั่วเนี่ย้ก็ไปทำทีมาเสือกตัวเองตองช่วยมันยุ่งไปตัวรดม่เห็มันก็เร่องดีหรือชั่วเท้แหล้าไม่เข้าใจอะไรก็เนี่ทำานโยไม่กป็นเ่วงเบดยนะไรเนี่ยเีเห็นไหมเพราะใาิมาทนี้เป็นพี่แล้วี่อกมีงหน้าต้องได้อยู่แล้วไม่เพราะอะไรใช่ไหเพราะ ทำเป็นของตอนนี้เราทำได้เนี่ยเราเคยาวในกุนี้ไม่ดกโตสนานั้นเื่อเราไหวสุเกท่านสุกแล้วก็ต้องมาถึตัวเราไม่ไหกเกันจะต้ตัวนีเพรธรรมชาติมีอยู่เนี้ยเราไม่สูญแลเราเข้าใจ่ที่อธิบายผงพูดมาห้าพอตอมเหือี่ใสนี้ยมันอยู่ในความสุาอย่เนี่ยพูดแต่เป็นแต่ดำเนี่ยอากรัใจ่ที่เราพูดลยที่มันจริเนี่ยแต่มันประกอบด้วยเหตุและผลน เนี่เป็นจัตใจอย่างนี้เลยวัาน้ำคนใจเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องเยนี่เี่งม่หายความไม่ความเห็นภาพทสําคัญ้ยังไงไอ้นี่เป็นต้นปัจจิยประโยชน์มันนไดเป็นประโยชน์อะไร้างมันมีโรคหน้าไหอ้ปัจจับางที่ยวกคิต่ต้อนี่ประโยชน์ก็คือขตหกเนี่ยอากาศเสถียรอุดขากล้ามเนื้อรูขยันนะจเยานเป็นตั้งมารอยตามที่ชอบในกุศลเดี๋ยวเราเลารกลามน้อหาเรื่องแกรักษาอีิบาล นะรักษาเป็นยังงั a นนั่งตายเราดีนะรักษาเป็นอะไรเป็นยังทวมันเกเราไม่เนี่ยเกี่ยวข้าเราเนี่ยเรารักษาเรา่บุเราได้ใส่สวยได้ถูกไหมเราไรักษาุนเราก็มีช้าีแต่ร้อนากเลยตัอยางเนี้ยเพราะนั้นอิาเนี่ยกรณีอนิสตตาอุอาตาอุาตาก็นั้นพกพวกตเราทนีกพา่ากท่่า เนี่ยพยายามพูร่องอะไรพูรานิยมอยาีที่พรเจ้ากระที่ยประด็นท่าทางดกันม่นจ่เป็นอันต้งมีสอะราีพวกราพวกงานนั้นเนี่ยะพวกงานนพวกเจ้าเจพวกเไปโยนเรืองไปดูไปอย่านั้นแต่นียากันมันไม่มาอยู่พเดินไ่มีมีทำอไรกันเดี๋ยวเราไม่รู้นะนแต่เม่อเจ้าสอนแล้วเอาแล้วมักลับมาวัดของเดิมยเหนไมย่ได้ยิมได้จะทำอย่านั้น มันมีมาลอยๆไม่มีมาลอยๆมีนักประเชษนั่นแหละแต่เราไมมาวัดอยู่นีมันสอนสอนคนว่ารงนนนมาเที่ยวมาดูตามที่บอกจิตใจเราเป็นมสอนมดเรา้องตามมาตฐานมตงยามแก้ไขนะคนดีแไขนแกตัวเหือว่ามนัแกตัวเน ไม่มีเวลาไม่ไหวไม่พร้อมไไ้นไรวยเลยแล้วเวลาเไปรอเราไปกขาก็รัดไปเนี่ยวันใสเขา้องเปเจ้าจรงมีที่พึ่งนี่เตวลาทันตาเป็นอย่านี้เพรามันเป็นเรื่องที่เเป็ดงใจเราเนี่ยเวลาที่หมดไปไ้ก็หมดไปเความนี้ไม่หมดไปอยู่ติดตัวใจเราเกมี่ยเกมีอยู่ไป็นธรชาระธรรมนั้นเอเราวลาไม่รอไม่รอตัดม่กวนขัดที่มันติดก็หมดกวนขัด แล่วพระเจ้ามัเสี่ยงเขาต้องให้เราไม่ตื่นเนี่ยี่ให้ฏิบัตรเราไม่กระตุนบัตรนะทีนี้คนรู้งินไป่หวแต่ถ้าใจเราของพระเจ้าไป็นระดัิดเวลางงไปแต่ควาดีไม่งงเลยมัไปอยู่ตอนไปแล้วตราเช่นพาเนี้ยมันไปยืนไปของเที่ยงอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยนะใครก็มาว่อนไปได้ที่ก็ได้ไม่ยืมไม่หายเงี้ปบัตรไม่น่องเราเก็บไว้ให้เป็นความเงินหายโขกกินบ้างดื่มเพื่อนบ้างคนรู้คนกลัวบ้าง ใช่ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ราก็บข้อมูลเหลือใคทีใจเราเงียไม่มีใครมาย้ายได้ครอกเคื่อนได้หรอกไปขอแค่ไอตัวรถไฟที่บาลักษาเราไ้ไให้ทางว่ใจอย่างนั้จะพูดมันจะยังไม่ลงไงนีศรัทธาเราจะมีปัญญาพอเอเหตุเป็ผลที่เราโูดเป็นธรรรักธาทั้คงไปยังว่ารก็ไม่มีปวยเห็นใลเรานะเอ่ที่ สอนมาถูกต้องมี b ักปฏิบัติถูกต้องมันทำให้สีแจ๋วมีมนต์สุกเป็นการปล่อยวางเป็นการเจอเรื่องเรืออะไรนะครอนนี้เป็นความสมุนไพรไม่ใช่การทำใมันเดือร้อนไปต่อฝัมากเป็นพวกเป็นไทยอันไม่ใช่คําสอนที่เร่อกาปล่อปลูกเนี่ยเราก็จะรู้เองเอง้าามเจ้าไปก็จะมาถามป้าจันนี่ไปูไม่มีเป็นบาเม่อจะเป็นเ เนี่ยตัดสินเองเพื่อเว้นเองเนียตัดสินเองก็เองหมดทนสอนให้เรา็จะใช่มาเป็นเซาเนี่ยอแล้วท่านสอเรามาเป็นทัาหกคอทัพบริหารทัพจัดการอยู่ในที่เดียวไมนใช่ไปโรงเรียนผู้นําวใหญ่นั่นนะเขาจะมาตามสอบสายเป็นธาตุเป็นเว้อยู่ตลอดธาตระเบี๊ไม่ใช่เนี่ยให้เราเป็นผู้นะโรงเรียนไม่หมดปฏิยัติแ้นสอวเป็นพิพุธของตอนในใต้ เย็ไล่ะเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นกับขั้นพงถอาศาสนานี่ก็มามาท่านก็้อยูไว้ม่ไม่้บอกว่าไ่รู้อะไรไม่มีอ่าตายเลยไม่ใช่ที่จิตมันนะเห็นชัดเป็นระสนาศาสนาที่เหนื่อยเองนช่ไหมเราือเราลงมีปัญญาบอกมีเหตุผลสงแทยสอดใจไม่ต้พูดเรา่หวั่นไหวรานศาสนาที่มีปัญหาปัญหาเราเป็นผู้นไม่ฉลาดคนพาได้ ไม่มีปัญหาหรอกพา่ราาางไปมาตุ่มันลกตาตม้ง็ยมจะทาไปยอเจ้ายยมไทาเจ้าอะไไปไปยมไปังหลััยมของใคาีเ้อนยดยิ่งโาอเยไปโที่ไหนอ่ะไหมาดก็กยม เหดหมดลอพอใจ่เน่เราเนี่าดเราพอใจดีแล้วมาแล้วหมดหมดทั้งหมดวังหมดที่เราทำทุกอ่างีเพืนานะวิถเราทำด้วยตริีพธาลนเวิญญาทั้งโลกีัคมีอยู่อยู่ตเรียนนีปัญญาปัญญาั้งยังมั่งยุติติเจ้าเออถ้าลงมาไปแล้วในฐานะเป็นทุกข์เปทุกข์โดยสัต มันอยในประจวบตรนี้นไปนเอ ร, เ ร, ประจิติไอันนี้มนยู่ในเดียวคืานำม่ดื่มน้ม่นอนนม่กล้ยม่าแฟนมเออแล้วก็จิตตาโมเดนนมแล้วก็ความทำเกษาทำมัาไ่ได้ถูกต้องจิตข้อเนี้ยอันนี้มันอนทะที่ามาทนี้นะเดี๋ยวาาะะเราไม่รู้เ็ผูู้ท่ญญญญญ ความในธรรมได้หมดเลยแล้วเป็นอย่างนั então, people with people with uhm? so ้อย่างเช่เราโฟกัสนะคนที่ทำใอ้ยากนะไม่ใช่ถึงเราให้ตัเองได้ฟังอีกางไระเพยาามพยายามมันต้องวางใจจะได้ทำอะไรได้ถูกต้องจิตของของจะสงสัยจิตสงบเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เที่ยวทำกันอยู่อย่านั้นหมรใจทำไปหมดเลยเมื่อวยนเราพิเศษเพื่อเยนี่หมดเลยเดี๋ยมันละเอียดคนปัญญาเนี่ยแยกขยายเราเห็น นะครเราจนเะมันไม่ไ่ยากแบบนี้หมถ้าเราพูเรติเข้าใจง่เหเราใส่กระดุเื้อใได้ปูก่อนปูจะ่าูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูู้ปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปปูปูปูปูปูปูปูปูปูปูปู เราเรียนร้จากหลวงพ่ออ Nu pa, me nu pa, nu ญาติาจะได้หมดน่วยงานญาติข้าคุ้มครองธรรมบารีสูงส่งทั้งกวยาติกิดอารากผู้มทองาองไรเต็มกบเาตึงตึงโอ้ตัวตนบางสมบัติเราพอจะมองคนที่ิตจมมระันสัพพะเว พุทธเจ้าทังปวงตที่อดจบนีรันจรรยขอความสวัดีหลจงมีตลอที่รันเอิมุตุตัณมังมังจรรย์ขสมบูรณ์นั่งจงมีรักนั้นดวงดำกนิรดาขอเจริญความรักษาพระคุณมหาวีนนักเพระทเจ้างที่ดนรันรขอความสดีหจงมีที่รันเอ พ่อสุตตังบุญมงคลตคงีราตังะังรักษาเสมอสุตังอาวนเอพัสาั้งตัิัรออวดีหน่อยจงมีตลอ h นิรันดร์เถรไหมถาอะไร เป็นคนมงคนกับอวัยว